พวกข้าราชการมาบวชก็มีประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาเหมือนกันเพราะเหตุใดเพราะท่านเหล่านี้เป็นหัวจักมนุษย์คนท่านสูงเป็นหัวจักตามสูงเป็นหัวจักของราชการเหมือนกันเพื่อเป็นยื่างอย่างของเขาเยื่องอย่างของพวกขราราชการพวกที่มีเงินเดือนเงินดาว ถ้ า, าว่าข้าราชการเรื่องสายในพระพุทธศาสนาเนี่ยบ้านเมืองของเราก็จ ะ, จะเจริญขึ้นไปอีกถ้าหากว่าไม่มีข้าราชการยินดีในพระพุทธศาสนามาบวชจะเลยมันก็ไปอีกแบบหนึง่งเหตุฉนั้นสมเด็จพระบรมราชาท่านจงึงทรงผนวช ลงองค์ประบทเพื่อเป็นอย่างอย่างทอดสะพานให้อนุชนรุ่นหลังซึ่งเป็นธรรมเนียมของพระองค์ท่านด้วย ส, สืบมาเป็นธรรมเนียมมันที่ควรเคารพเป็นธรรมเนียมมันที่ควรบูชาทุกๆพระองค์ เมื่อองค์ท่านมีโอกาสองค์ท่านก็ระคราวาดวิสัยชั่วครั้งชั่วคราวมาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาเมื่ออุปสมบทท่านก็ไปอุปสมบทฝ่ายมหานิกายก่อนเมื่ออุปสมบทฝ่ายมหานิกายแล้วท่านก็ทรงสเสด็จมาทรง ยัตติกรรมในวันนั้นทอดสะพานอนุึกซึ่งเหมือนกันมอให้กระทบกระเทือนทั้งสองในกายทรงพระฉลาดมากทรงพระปัญญามากถ้าหากว่าจะบวชในฝ่ายธรรมยุทธโดยตรงๆก็จะกระเทือนฝ่ายทางนั้นองกท่านก็ทอดสะพานทุกอย่าง เพราะธรรมยุตธก็มาจากมหานนกายมายติเขาโจมตีหลวงปู่เทศใยจังหวัดทา ง, งานาบอกว่าธรรมยุทธ์นี่มันทำสังฆเพศทั้งไม่แตกจากกันหลวงปู่เทศก็ตอบว่าเป็นธรรมยุทธก็แตกมามาจากมหานนกาย ถ้าหากว่ามหาเนีกายเป็นเป็นผู้ดีทำไมถึงให้พวกตนแตกออกหนีทำไมถึงแม่รักษาไว้เขาก็หมดเชื้อเลย <c oughs> ยัดคืน <c oughs> ลูกปุถีไม่ใช่ของง่ายๆปัญญ า, าเกง่งเหลือเกิน ีนี่เขาก็ดูถูกรูมหมิ่นสมเด็จพระบรมราชาพรจองเก้าเขาก็จับใส่คุกซะปีนั้นเรื่องสังฆเภศในพระมีในมหานกกายก็ทำสังฆเพศธรรมยุทธไม่ได้ธรรมยุทธก็ทำสังฆเพศมหานิกายไม่ได้ นางสิขามานาก็ทำสังฆเพศไม่ได้นางสัมเนรีก็ทำสังฆเพศไม่ได้พิกษุณีก็ทำสังฆเพศพิกุโนไม่ได้อุบาสกอุบาสิกาก็ทำสังฆเพศไม่ได้ผู้อยู่ต่างอาวาสในทีนน่อื่นอื่นแต่เป็นนิกายเดียวกันไม่ได้อยู่ในอาวาสเดียวกัน ไม่ได้ลงอุโบสถต่วงกันก็อยู่คนละห้นละเห่งก็ทําสังฆเภศไม่ได้แต่เป็นสังฆร า, าชีความเล่าลานทีกษุดที่อยู่ในวัดเล่าเล่าเช้นนี้ี่ทําสังฆเภศได้ที่เคยร่ ว, รวมอุโบสสังฆกรรมกันอยู่เช่นวัดน้อยก็ดีแล้ววัดบ้านเหลาก็ดีสามวัดนี่ทําสังฆเภศกันได้ถ้าจะทํา นอกจากวัดอื่นแล้วทำไม่ได้เพราะมมนได้ร่วมอุโบสถกันเพราะอยู่คนล ะ, นละหันละแห่งม่ได้เป็นสามัคคีสมานสังวดกันอยู่แต่เป็นความเล่าลานเรียกว่าสังฆราชี เราออกพรรษาแล้วออาาระรากขาพอดีเราเป็นเพียงละประเภทเท่านั้นส่วนจิตใจของเราไม่ละไปไหนถึงรพระพุทธธรรมประสงค์อยู่เป็นเพียงละเภศของทุกสุเท่านั้นส่วนถึงในสนธนาคมนั้นเราถึงอยู่ทุกเมื่อเราจะทําตนให้เป็นบัณฑิตควฆราวาสังบันทิตเป็นผู้ครองเรือน เราจะจงรักภักดีต่อชิ้นห้าจะจงรักภักดีต่อกันธรรมาหาเลียงชีวิตจะให้เป็นตันทิโตฆราวาสังเป็นบรรทิตผู้ครองเรือนในฝ่ายพระราวาสมันเป็นอย่างๆเขาทำก็อ่านเก่าการพนันทุกประเภทเราลาซืกอขาออกไปเราก็ไม่ควรน้เมิด ยิ่งสวเยเคนี่แลก็ไม่ควรไปหืมหืมเสียเกียรติเสียยศของเราเถ้าเราไม่นหนักทางกายมารลมเรานึกละอายนึกนึกละอายเพศที่เราเป็นอยู่นึกหวนคืนหลังนึกละอายเพศที่เราเดินจยกรมภาวนาที่เราได้บวชปฏิบัติ ถึงแม้กิเลสจะไม่มีมากก็เพียงในก็าตามก็เป็นเหตุให้เราหวนรลึกของเราที่เป็นมาจะทำให้ราคะหรือความกำหนัดของเราผ่อนลงเหมือนกันข้าราชการที่มาบวช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 ข้าราชการก็ดีผู้ที่ไม่เลื่อมใสในพุทธศาสนาข้าราชการพวกนั้นก็ดีประชาชนพวกนั้นก็ดีพวกนั้นแ่ะจะชอบปีนเกลียวในทางวัคพุธศาสนาหรือในทางอะไรก็ดีต่อให้เห็นง่ายๆเหมือนกัน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 ไม่ทางตรงก็ทางออ ก, ท, กทุกท่านผมก็ไม่ถือเป็นของนักไก่เพราะพอเป็นพอไปอยู่ตามฐานอันดอนรับที่ออกภาษาแน้ว กระทิ้นก็นแล้วไปเมื่อท่านผู้ใดจะไปเที่ยวในทิศทั้งสี่สำหรับผู้ยังที่ยังไม่ลาศึกษ า, าก็ขอให้ผ่านพ้นเดือน1ิบสองเพนพฤศจิกายนตอนเพนข้างแรมเสียก่อนเพราะเหตุใดถ้าเอาเราไปแห่งอื่นถ้าไปถามก็ไปเที่ยวตามสำนักถ้าเขามาทอดกระถิ่น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 ที่เห็นผิดจากทํานองคลองทามีหมื่นคนมีล้านคนมีเท่าไรล้านล้านก็าตาม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 มันประกาศอยู่ทุกคนทานี้ก็ประกาศความดีทำชั่วก็ประกาศความชั่วจะพูดออกหรือไม่พูดออกก็ตามมันประกาศอยู่ในตัวแล้วนัทธีโกกรกะและหัวนามะมันไม่มีที่รับเลี้ยวไปทั้งไหนกับมิตรก่อนกรรมฐานเลี้ยวเบืองขว้างเกะกับมิตรก่อนกรรมฐานจ้าเลี้ยวเบื้องขวางเก็บกับมิตรก่อนกรรมฐานจ้า บองดูความตากรกพอิกรรมฐานจ้าเออลองดูดินกับมกรรมฐานจ้ปฐวีดินลองดูน้ำกับแม่กรรมฐานจ้าลองดูไฟกับมกรรมฐานจ้าลองดูลงกับแม่กรรมฐานจ้ากรรมฐานในส่วนลูกขันกรรมฐานในส่วนลูกประธา อารมสวยอารมณ์ซุกทุกอุเบกขากรรมกามฐานซ้เพราะมีฐานะอิทีิ น, นั่นตั้งยุ่ิได้ชั่วรข้าวเกิดเกิดเปลีล่นแปลงปวดนันแต่สลายเป็นรอบๆโยงสัตวในไตโลกธาตุมิต่กรรมทานทัางนั้นเพราะในไตโลกธาตุยึดแต่อำนาจอนิจนน จ, นจังเมื่อยึดแต่นอนาจอนิจจังหรอยุดแต่อานาจกรรมฐานมิปัจนากรรมฐาน หรือปัญญากรรมาฐานตั้งฐานไว้ในปัญญาไม่อดไม่อยากในสิ่งที่จะพิจารณาหลวงวิสิวา่าภาวนาเปลี่ยนตาหูจมูกลิ้นกายก็เป็นกรรมาฐานอะไรยางอะไรยางอยูอย่เลยผมคนได้ฟ้อนั้งเลือด ขนาที่แปดอินซีสิบสอง อ, อายุตนะภายนออกภายในกรรมฐ า, านทั้งนั้นฐานโมนียึดแต่อํานาจอานิจังยกักแตกจักสลายเมื่ออยู่แต่อํานาจอานิจังเขา อ, อยู่แต่อํานาจทุกข์จะแนตัวผลของอานิจังคือทุกข์ผลของอานิจังก็ดีผลของทุกข์ก็ดีก็คืออนัตตาทำในไฟสังขาร บรรดาแท็ก ไ, ไซ้ายกับไปบ่ได้เป็นจริงด้วยจังสันมันนี่กงเล่นกังคืนทุกสิ่งทุกอย่างมันี่พร้อมนอี่ในปัจจุบันหมดแล้วไฟที่เป็นลูกคันน้าําคันก็ดีายที่เป็นมะพ น, นี่พานก็ดีว่ามันจริงทั้งป่วงมีอยู่ในอดีตและอนาคตทั้งของดีและของซวยมีอยู่ในปัจจุบันหมด แล้วเราถืประพืชน้ำทั้งดีหรือทั้งครัวถนันเราจะเลือกเฟ้นเอาทั้งดีหรือทั้งครัวว่าปลาพืชถนันกรรมฐานทางไรกับมิยุทธขณาจิตเดีือนึกนั่นนึกนี่ไปหาแ น, น่ว่ามันนี่อันนี้จังบ่อจิตก็ดี ทีนี่ไปมัดมือก็ถือถ้ถาอันนี้จังมัดมือเหรจิตเ ย, ยตัสทิรัมคืออารมณ์ที่เกิดกับใจเป็นส่วนนี้เรียกบุศสนเป็นส่วนชั่วเรียกขาสนเป็นส่วนกลางมัดดีไม่ชั่วเรียก เ, ยกเอาพยาคิจเรียกว่าสังขารเริ่มหายใจเข้าหายใจออก ดึงดนูดกรรมฐานแปดหมืนสีปพระธรรมมขันมาอยู่ในวงแขนได้เพราะอำนาจแห่งกรรมฐานอันนี้อำนาจแห่งที่สุดกรรมฐานที่อำนาจแห่งกโมโลร่วมหายใจเขาออกอนนานาปัญาสติแกเก็บายก็มม่ยู่ทุกลมหายใจเขาออก อนนี้จำทุกครัค้งอนัตตาก็มีอยู่ทุกลมหายใจเขาออกพวกป่วยความหนาวขอมีทุกลมหายใจเขาออกคุณพระพุทธธรรมประสงค์ก็มีอยู่ทุกลมหายใจเขาออกรักผลนิพพานก็มีอยู่ทุกลมหายใจเขาออกขนขนเล็บฟันนังเนื้ออิงกระดูกเนี่ยในก็อยู่ดูบมามหัใจรรธาตุสแปดอ็นซียี่สิบสองก็มีอยู่ทุกลมหายใจเขาออกอันนี้จงทุกครั้งอนัตตาก็มีอยู่ทุกลมหายใจเขาออก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 ลมหายใจเขาออกเป็นยอดของกรรมฐานทั้งหลายเป็นอาจารย์ของกรรมฐานทั้งหลายน้ำห้อยน้องคองบึงบางไหลลงสู่มหาสมุทรทะเลชันใดกรรมฐานทางปวงเขาไหลเข้าสู่อาณาปนานสติทางนั้น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 สติประทานสี่ก็มีบริบูรณ์ในลมหาใจเข้าออกนี่สติอยู่ในกายพิจเจนากายพา่องค์ควบลมห้ใจเข้าออกที่เจนาเวทนาทุกทุกเบียดขาพา่อองค์บลมห้ใจเข้าออกพี่เจนาจิตที่สมองหรือสองแพร พ, รพร่อองค์ควบลมหาใจเข้าออกที่เจนาทำอันไม่เทีย่ยง คืออันนี้จะทำเพราะอันนี้จะตาทำเพราะลมหายใจเข้าออกนิพพิทาความเบื่อหน่ายที น, นี่ก็มีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกความรุดพุ่นก็มีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกทำอันดับสนิทก็มีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก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 จิตตเอาใจฟักฝ่ายในลมหายใจเข้าออกนี่มังสามันตรีตองพิจารณาเหตุผลในลมหายใจเข้าออกคนที่อย่างนี้มีบริบูรณ์แล้วอาจจาักนำบุคคลในถึงสิ่ที่ต้องประสงค์เพ่งไม่เหลือ ว, วิสัยพุทชงเกตสติความระลึกได้ระลึกในลมหายใจเข้าออกธรรมวิจยะความสอดส่องธรรมสอดส่องธรรมพร้อมกับขณะลมหายใจเข้าออก พิริยะความเพียรเพียรพ่อขมกับลมหายใจเข้าออกปิติความอิ่มใจอิ่มใจพอใจในการพิจารณาลมหายใจเข้าออกปัจจทิพย์ความสงบใจในอารมณ์ความกับลมหายใจเข้าออกสมาธิความตั้งใจมั่นตั้งมั่นในลมหายใจเข้าออกปัญญาความรับรู้ในกองสังขาร อุเบกขาความวางเฉยในลมให้ใจเข้าออกก็ไม่ใช่สารไม่ใช่บุคคลาะเป็นทั้งขานเพือเข้าลมให้ใจเข้าออกอีกเหมือนกัน <c oughs> อภิน ญ, ญาเทศิตะธรรมก็เหมือนกันก็มีความหมายอันเดียวกันโพธิปคียธรรมสามจุดเจตประการก็มีความหมายอันเดียวกัน สติประธานสี่ก็มีอยู่พ่อมกับรวมให้ใจเข้าออกสมาประทานสี่คือความเพียรสี่อย่างก็มีอยู่ทุกลมให้ใจเข้าออกอิทธิบาทสี่ฉันทะวิริยะกิตตามังสาก็มีอยู่ทุกลมให้ใจเข้าออกนอินทรีย์ห้าอินทรีย์ห้าคืออะไรศรัทธาความเชื่อในลมให้ใจเข้าออกวิริยะความเพียรในลมให้ใจเข้าออกสติความระลึก ในลมหายใจเข้าออกสมาธิความตั้งมั่นในลมหายใจเข้าออกปัญญาความรับรู้ในลมหายใจเข้าออกมีความหมายอันเดียวกันนะพระหา้าโพธชงเกตก็ว่าแล้วโพธชงเกตมรรคมยองแปดสมาธิเห็นชอบในลมหายใจเข้าออกสมาสังกโปดํำริชอบในลมหายใจเข้าออกสมาวาจานึกชอบ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 พิจารณาอานิจจังทุกครั้งอนัตตาพา่ออารมให้ใจเข้าออกพมกืนกันอยู่แต่ยังไม่ทันรุดพ้นตายไปไปเกิดในภพ ม, มารโลก9 1้ารอสิบแปดโกรธกับมีอายุมีอายุไข มีอายุยืนยิ่งกว่าอาาราบทอุษกาดาบทอีกด้วยพวกนั้นพราะกำลังชาแนลนวลมันมีวิปัสสนาสมปบัติเป็นผู้มีสัญญาก็ไม่ใช่เป็นผู้ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่เป็นผู้มีความจำเขาไม่ใช่เป็นผู้ไม่มีความจำเขาไม่ใช่ก็เลยตายคาานั้นเหนือก ว, ว่าสัญญยกวันีว้วาสัญญานาสัญญายตนะสองหนึ่ง พันหนึ่งมืนแปดพันขับตายตานะอั น, นี้มากกว่านั้นอีกนับเป็นโกดเลยบางตำตำนานว่าร้อยโกดรับทีนี้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 พอดับความเพลินในโลกทั้งปวงพอดับความทะเยอทะยานในโลกทั้งปูงนับความทะเยอทะยานในโลกอดีตโลกอนาคตโลกปัจจุบันด้วยนัความเพลินในผู้รู้ทั้งปวงไม่ยึดถือผู้รู้เป็นเราเป็นเขาเป็นสัตเป็นบุคคลซึ่งเป็นภพอันละเอียด นั่งอยู่บรรลังเดียวไปได้ในทิศทางไปแหละบรลังของกิจก็ดีบรรลังของการนั่งก็ดีเห็นอ น, นิจจังขณะจิตเดียวก็รอบทิศทางแปดแล้วรอบโลกทั้งปวงแล้วเห็นทุกขณะกิจเดียวก็เหมือนกันเพราะสิ่งเหล่านี้เต็มยัดเยียด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 เห็นลมขนาดกิจเดียวก็เห็นรอบโลกเหมือนกันเพราะลมโลกเต็มไปด้วยธาตุลมเรียวกว่ารอบโลกโลกก็ไม่ถูรูแก้งโลกก็ถูก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 เมื่อความสงเมื่อความสงสัยไม่มีความแยกคายก็หนักเข้าก็เนียนเข้าเปน็นยังปัญญาก็เกิดทวีมีกําลังเมื่อปัญญาก็เกิดทวีมีกําลังความหลงของเราที่เคยลงมามันก็นับสิบไม่ลุกเหมือนกัน เพราะมันชกต่อยกันในมโนภาพแล้วในปัญญาภาพแล้วในสติภาพแล้วเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทาั้งหลายด้วยเป็นโอปนยโกโด้วยเป็นปัจจตังด้วยโอปนัญโกมาแล้วก็เป็นปัจจตังละเพราะมันเห็นชัดเอหิปัติโกร่องเรียกใหรตนมาดูได้ โลกเวทูรู้แจ้งโลก ร, ร, รู้แจ้งสังขารก็รู้แจ้งโลกพอดับจิตดักใจสังขารถูกเห็นมันเกิดขึ้นด้วยเห็นมันแปรปวนด้วยเห็นมันดับไปด้วยเห็นลูกไม้ของมันชัดเจนเหยียบเล็บมันแล้ว น้าอาที่จะแทรยรทยานในวัดตะสงสารต่อไป <c oughs> ใครจะมาโกหกพกลมได้เมื่อเห็นชัดว่าในตจโลกท่านเต็มไปด้วยกองทุกหมดแล้วทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันเห็นชัดเป็นประจักสิทธิทีนีไม่ได้เห็นด้วยการตื่นข่าวและสัญญาที่จะมาและเคยหูก็หัดปากเห็นในภาวนาด้วย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 ที่จะไปบัญญัติโลกว่าเป็นอะไรอีกทีน่นี่จะไปบัญญัติว่าเป็นอะไรอีกผลของโลกก็คือทุกผลของสังขารก็คือทุกผลของอดีตก็คือทุกที่ล่วงมาผลของอนาคตก็คือทุกที่ยังไม่มาถึงผลของปัจจุบันก็คือทุกที่กําลังให้จะเข้าออกอยู่นี่กําลังพูดกําลังนึกกําลังคิดอยูน่นี่ไม่ใช่พระนิพพานอ้ น, นี้มีแต่สังขารเท่านั้นเองพระนิพพานไม่ได้มาพูดด้วย ไม่ได้มาฟังด้วยเมื่อได้มานั่งนั่งนั่งด้วยไม่ได้มาสูดลมหาใจเข้าออกด้วยสึ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของสังขารหมดเนี่ยนั่งแต่เป็นทุนทางเดินเข้าสู่พระเนคผ่านเฉยๆไม่ใช่พระเนคพรานจะมามีธุระกับเราด้วยจะมาให้คะแนนเราด้วยจะมาบุกเราด้วยจะมาเอ่ยก็จะมาสั้งคมกับเราด้วย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 สังขารมันเป็นหน้าที่จะไปรู้พรนิพพานรู้ตัวเองพรนิพพานเห็นตัวเองทำพรนิพพานเห็นทำพรนิพพานสังขารก็มีหน้าที่เห็นสังขารเท่านั้นมันมีหน้าที่จะไปเห็นพระนิพพานไม่มีหน้นาที่จะไปรู้พระนิพพาน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 เป็นธาตุแห่งความหลงมานานแล้วต้องเค็ดหลาบมันยิ่งยิ่งเข้าเด็กที่มันดื้อมันดึงก็เพราะมันไม่เค็ดหลาบที่พิดามันดาถูกเครียดถูกตีแต่ว่าเราถูกเครียดถูกตีเราก็ต้องเข็ดหลากที่สมมุติว่าเราเราคือสังขารพระนิพนาพานมันมาสมมุติด้วย ตอนนี้พ่านมาได่มาสมมติว่าอาดีตอนาคตปัจจุบันอะไรเลยไม่ได้มาสมมุติว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ได้สมมุติว่าไม่ได้มาสมมุติว่าสุขทุกข์อุเบกขาเป็นฝ่ายสังขานสมมติกันในโลกเฉยๆไม่มีงานบวกลบคูณหารไม่มีรายรับรายจ่ายสัพทันผู้ใดเลย ถ้าอย่างนั้นก็ศูนย์สิศูนย์จะไม่ศูนย์พรนิพพานก็ไม่ยืนยันพวกที่ยืนยันเป็นเป็นพวกสังขารต่างหาก วันคืนของพระเนพานหรือหรือวันคืนของสังขารก็วันคืนของสังขารเพราะสังขารสมมุติใช่พระเนปานมด้มาสมมุติอะไรกับใจดอกชีวิตก็เป็นเรื่องของสังขารสมมุติขึ้นใช่กันพระเนปานมด้มาสมมุติได้มาเนมาปฏิเสธด้วย ไ, ได้มาเน ม, มาเกี่ยวข้องด้วยม่ได้มาอะไรด้วย ไม่ได้มาเป็นห่วงสังขารด้วยพ้งหมดตัวเทศที่บัญญัก ส่งคืนให้กิจผู้ลูกส่งคืนให้ผู้ลูกอดีตส่งคืนให้อดีตอนาคตส่งคืนให้อนาคตลมหายใจเข้าออกส่งคืนให้ลมจิตที่ว่าลมลมก็ส่งคืนให้จิตที่บัญญัติว่าลมลมอนิจังทุกครั้งอนัตตาก็ส่งคืนให้จิตให้อนิจังทุกครั้งอนัตตาเราไม่ไปสอดแทรกยึดถือเอาเป็นเจ้าของไม่สําคัญตัวว่าเราเป็นอนิจังไม่สําคัญว่าอนิจังเป็นเราไม่สําคัญตัวว่าเราเป็นทุกครั้งไม่สําคัญว่าทุกครั้งเป็นเรา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 ถ้าสำคัญว่าตัวแกเก็บตายตัวก็ต้องจะโศกเศร้าเสียใจเหมือนกันถ้าสำคัญว่าตัวไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายตัวก็จะลืมตัวทนองตัวอีกเหมือนกันนั่นใครเป็นผู้นั่งสังขารเป็นผู้นั่งพระนิพพานมาันจะมานั่งด้วยดอกใครเป็นผู้พูดว่าจีสังขารกับโมโนสังขารเป็นผู้พูด พระนิพพานมันจะมาพูดด้วยพระนิพพานมันด้มาฟังด้วยไม่ได้มาพิจารณาเหตุผลด้วยเพราะอยู่เนือเหตุเนื้อผลไปแล้วเพราะสรงเหนือเหตุเหนือผลไปแล้วทีนี้สงควรแล้วก็เอาละทีนี้ท่านพูดใดจะปรึกษาอะไรต่างก็ปรึกษาไปนี่ นานๆ ท, ทุกสบายพวกที่ลาสึกขาไปแล้วก็มีเคลื่อนหหาบ้าอยู่สบายหรือไม่อยู่ที่ไหนไปที่ไหนมีคข้อสำคัญเวลานี้อยู่ที่นั่นหลวงปู่เวลานี้สะดวกอย่างนั้นคัดข้องอย่างนี้ก็ส่งข่าวหากันบ้าเป็นธรรมเนียมเป็นธรรมเนียม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 เวเราจะอยู่ไปพอปีหรือไม่พอปีก็มองมาเห็นอีกเหมือนกัน